ตรรมทจบคนอยู่ในวัดเยอะนะแล้วก็มีกับตรรมะเช้ากันก็แค่นี้นะพระสงฆ์ก็เยอะแนตะ่อยู่ตรรมัเช้ากันแค่นี้ตรรมะจบวันนี้ก็พาสวดไอบทที่มันสำคัญสำคัญนะความเพลี่ยนชอบ แล้วก็สติที่เป็นสติชอบสัมมาสติความเปลี่ยนชอบขยันเป็นตัวจากฉันทะพอใจมันก็เปลี่ยนเป็นอาตาปีเป็นอาตาปีเป็นความเพียนเปลี่ยนที่ยัละ ละบาปก็คือละความไม่รู้นี่ตัวบาปที่แท้จริงก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าที่ยาก คนแรกคือองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้ากองคนพบแล้วแล้วก็กล่าวไว้ชัดในความเชื่องชาวพุทธเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติเราก็เห็นอย่างนั้นหลวงพ่เตียนก็บอกว่าขายันรู้เป็นตัวภาวนารู้ให้ต่อเนื่องรู้ให้เป็นลูกโซ่ มันเป็นความเพียนรู้เป็นจุดเป็นจุดเป็นความเพียนก็รู้เป็นจุดก็คือให้มันมีปัจจุบันขณนะเราก็ซ้อมกับการเคลื่อนไหว<ม>เดินจงกรมสร้างจังหวะจนมันจับการเคลื่อนไหวเป็นอัตโนมัติจะทําอะไรมันก็กลับมาหาหลักได้ไวหลักของกายเคลื่อนไหวน หรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าในกายของเราจิตพันอาศัยอยู่จิตที่ปกติเราก็สัมผัสได้มันเป็นจิตอาการอย่างเงี้ยอาการที่มันจิตจิตจิตจิตนั่นแหละจิตที่มันว่าไว้รู้สึกได้ในกายของเรารู้สึกตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นหาไม่ยากอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่บางรู้สึกตัวที่มันชัดที่ตัวตรงไหนของกาย จิตก็อยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่าข้าไปจมอยู่แช่อยู่อันนี้เป็นกระบวนการสมรถนะเป็นสมาธินะกาหนดอยู่ตั้งมันสงบนะอีกตัวนึงก็คือมันจะถอนตัวเองออกมาเป็นผู้ดูนะมันก็จะเห็นสองตัวแหละสนะองตัวคือความเป็นกลางความสมดุลนะของตัวรู้ที่รู้ยังเป็นอิสระ รู้แบบว่องไวนะก็เห็ น, หนาการเคลื่อนไหวของเขาอี ก, ก น, นะเป็นที่เป็นทางเป็นพื้นทีนะ่จะเรียกว่าบ้านก็ไดนะ้หรือว่าที่อยู่ของจิตก็ไดนะ้คือความเป็นปกติของจิตไม่ต้องไปรับใช้ใครนะมันเป็นอิสระนะที่มันไม่ต้องเป็นทาสของใครเป็นหนี้ใครนะเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมาเป็นไปตามเหตุปัจจัย เราก็ซ้อมขณาปฏิบัติในรูปแบบนี่แหะซ้อมจนเห็นว่ า, าการอย่างนี้มันคื อ, อาการของจิตซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเวลาก็ทําหน้าที่ของเขานะเป็นกุศลเป็นอกุศลนะมันมีวิธีมีกลไกมีการทํางานเป็นไปตามกฎของกรรมของการกระทํา ทีนี้เราใช้แบบเป็นกรรมฐานใช้แบบมีหลักเพื่อไม่ให้จิตนะเสียสมดุลหรือว่าเลอะเทอนะ mm hmm. เป็นมนทิน mm hmm. เครื่องเศร้าหมอง mm hmm. ทำดีก็เลอะดีทำเชื่อก็เลอะเชื่ออย่างเงี hmm. ้ยมันก็ต้องทำด้วยการปล่อยการวางนะ mm hmm. ไม่เขับไปยึดในอารมณ์เหล่านั้นอานะรมณ์สำทาจึงฝึกนะ mm hmm. เพื่อจิตสงบหลบมาจาก ความทุกข์ที่เริงเคยแบกเป็นภาละเช่นะนคิดทุกเรื่องงานคิดทุกเรื่องลูกคิดทนะุกเรื่องญาติคิดทุกเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองคิดทุกนะเรื่องสสารนะที่มันมีอยู่นะปัญหาต่างๆนะคิดด้วยความไม่รู้นะนะสเปสปะนะไรหลักการจนะคิดไปในทางวิชาการก็ไม่มีวิชาการ วิชามากมายเต็มโลกอย่างเจ้าชายศิริาษาก็มีวิชาการเหมือนกันจบสิบปปริญญามันมีหลักของมันอยู่จนมีการปฏริปักษศาสตรมากมายเหลือเกินมันเป็นหลักคนที่ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีหลักเหมือนกันหลักของสติปัฏฐาน การเคลื่อนกันไหวของกายท่างหัวจุดเท้ามันก็มีรูปแบบต่างๆมนก็นเอากายส่วนที่เป็นท้องพองยุบกายที่เป็นลมหายใจกายที่เป็นการเดินจงกรมเดินไปเดินกลับกายที่เคลื่อนไหวมือ14บจังหวะเอาไปเป็นเครื่องระลึกเครื่องกําหนดมันก็คือกายนั่นแหละคืออารมณ์รูปนามรูปนามรูปธรรมให้รู้รูปธรรม เห็นาของเราสักทวะกายเนี่ยก็เพื่อจะเห็นข้างนอกด้วยเวลารูปมากระทบที่ตามก็สักทวะเห็นเหมือนกันเสียงมากระทบที่หูก็สักทวะได้ยินเหมือนกันตัวเดียวกันสักทวะคือคุณภาพของการฝึกสติที่มีผลอยคิดกับสักทวะคิดนีอันนี้ก็ยิ่งละเอียดผมเห็นสภาวะของคิดสักตวะคิดมันก็เป็นผลจากพัฒนาการของสติที่มัน ว่องไวขึ้นเร็วขึ้นเห็นละเอียดขึ้นคนะมชัดขึ้นนะี่มันเป็นพลังของสตินะที่ฝึกมาจากการเห็นของหยาบหยาบก่อนนะเห็นรูปนามเดี๋ยวลังไปเห็นนามรูปนะตรงนี้ยนะพอเห็นนามรูปอ่นะอาการคิดเนะี่ยมันจะรู้เลยสมมติฐานการคิดนะอยู่ตรงไหนนะเวลาเข้าไปแล้วไม่สระนะไม่สมดุลยังไงนะมันจะถอยมันจะถอนมันจะสลัดคืนนะ มันจะกดการตื่นตัวมาเห็นทุกข์ก็ก้าลวลงจากความทุกข์อย่างเงี้ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่นะฝึกไดนะ้เห็นได้ถ้าทำถูกนะอันนี้ไม่ต้องให้ใครมารับรองนะรับรองตัวเองได้เลยนะมันจะไม่ทุกข์หรอกนะเพราะความคิดนะมันเป็นสมมติฐานถ้าหลงเพลอเข้าไปนะไม่ได้เจตนาคิดนั่นแหละนะถ้าหากว่าเจตนาคิดอยู่นะ อยู่ในหลักของวิชาการหรนะือหลักของความเป็นจริงเขาเรียกว่าปัจจเวกโดยคิดพิจารณานะแต่ความคิดประเภทนี้จะต้องมีสติห mm. ลึกรู้ก่อนลึนะรกรูนะ้เราอยู่กับโลกเนะี่ยบางทีมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเหลือเกินเต็มโลกที่เราไม่รู้นะวิชาการเนี่ยอีกมากมายเหลือเกินที่มันรู้ไม่ได้นะมันเหนือกําลังของสมองกําลังของสติปัญญา มันก็จึงเป็นเรื่องที่บางทีก็ต้องปล่อยต้องวางนะวางจิตวางใจนะบางทีก็รู้คนละเรื่องสองเรื่องนะในโลกนี้แต่ละคนแต่ละคนเป็นโคของเราได้หมดนะเพราะก็รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะวิชาการบางวิชาการก็ถนัดกว่าเราเงีนะ้ยก็ต้องยอมรับกันอย่างนั้นนะแต่ที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกตัวตรงนี้นะอันนีนะ้ทุกคนเหมือนกัน ทุกคนก็มีกายทุกคนก็มีจิตใจนะคนทีนะ่ไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้รูปนามนะอันนี้เขาก็แบ่งชนชั้นเอาไว้นะประเภทโง่เหงานะโง่เงา่ายังโง่เหงานะโง่เงา่าเต่าตุนนะก็มีภาษาเรียกเข้าไปอีกนะประเภทนี้ภาษาภาษาพุทธศานาเรียกว่าบาปหรืองโง่นะมืดนระกนะความทุกขนะ์อันเดียวกัน ประเภทงโงหลงงมงายนะเชื่อมองคลตื่นข่าวไร้สาละนะมีลักษณะของพบภูมิต่ำนะเป็นเป็เป็นสัตว์นรลกสุรกายอบยภูมินะอยน่างอันก็คือออกมานะจากทุกขติภูมินะภูมิต่ำนะมาเป็นเมตตามาเป็นกรุณาเมตตาเบาิกขนะา เราเจริญอภรญญาก็มีอยู่2 อ, อย่างก็คือ1อันแรกพยายามที่จะฝึกซ้อมตัวเองให้อยู่ในเรื่องของอัปรญญาก็จึงมีกรอบมีกฎของจารีตประเพณีมีเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของศิลธรรมต่างๆให้อยู่ในกรอบให้ไนดะ้เพราะว่าเมื่อมีนะระนาดองการให้เมตตาก็ณานะก็เกิดสันติสุขสันติภาพขึ้นมา เรยเมตตาทำคำจุดโลกนะจนกระทั่งทำไปเป็นเมตตาที่ไม่ได้หวังผลอะไรทั้งหมดนะไม่หวังว่าเป็นการฝึกตนไม่ได้หวังว่านะทำแล้วจะได้อะไรนะเกิดอะไรขึ้นบางทีเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านะอยู่ด้วยปัญญานะมันไม่ได้อยู่ด้วยเมตตาแตว่าส่วนใหญ่มันก็จะเกิดเหมือนกับว่ามีเมตตาขึ้นมาแต่จริงๆก็คืออยู่ด้วยปัญญาอย่างเงี้ย ทำไปเงนะินอ๋อเหรอเมตตาเหรออ๋อเหรอไม่ได้เมตตาเหรอมันที่เป็นเรื่องการตีความแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือทําไปเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าเป็นหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าคือปัจจุบันกันณนะเราก็จะมีหน้าที่นะอย่างตอนนี้เรามีหน้าที่กับตัวเราเองเนกะิกิจวัตรประจําวันของชุมชนอย่างเงี้ยเรามีหน้าที่ หน้าที่อะไรสำคัญสุดเราก็ทำอันนั้นอะไรที่ก่อประโยชน์สุดเราก็ทำอันนั้นบางทีก็ทำทั้งต่อหน้าและรับหลังที่เราทาแต่รับหลังต่อหน้าไม่ได้ทำาะก็เรียกปิดทองหลังแพร่อะไรก็ตามต่อมาก็คือจิตใจที่เป็นเรื่องของเทวธรรมเนะทวธรรมก็คือเป็นลักษณะของเทแหลกและนะอันนี้เทยอย่างเดียวเลยเทยวดาเนี่ยเพื่อจได้รับความสุข เพื่อตัวเองเนี่ยมีความสุขให้คนอื่นนะว่าเราดีนะว่าไม่ดีเดี๋ยวเราจะเทแหลกเลยเพื่อให้ว่าดีให้ได้อันนี้จิตลักษณะของเทวดาเทยังเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามีแตาให้มีแต่ให้นี่มันเป็นเรื่องที่ให้แล้วท้ายสุดก็ติดดีติดสุขก็ได้แล้วก็กลายเป็นทะเลาะกันก็ได้ตัวนี้นเพราะว่าลักษณะของดีทั้งคู่แล้วก็ทะเลาะกันเรียกว่าเทมาสูน เป็นเทวดาเป็นเทพนะแต่ว่าอาสูรนะเทพ อ, อาสูรก็คือขี้ขาดนะขี้ขาดยอมรับกันไม่ได้นะปล่อยวางความดีไม่ได้ต้องยึดดีติดดีเนะี่ยดูสิมันติดละเอียดนะนะมันเป็นเรื่องความละเอียดของภพภูมิของจิตนะมันมีอยู่เมื่อเราไปเราทำเราก็ได้เห็นนะว่าเออมันมีอย่างนี้ด้ว ย, ยนะในแง่มุมของจิตนะที่เป็นการคิดการพูดการทํนะางเงี้ยจนกระทั่งเหมือนกับว่า มันไม่ใช่แค่ความมืดสีดําอย่างเดียวนะมันมีความมืดสีขาวซ่อนอยู่ด้วยนะและเป็นความมืดที่สลัดยากมากนะการติดดีนะหรือภาษาลงุงพุทเรียนว่าติดบุญบ้าบุญหลวงพ่อเขียนนะท่านก็ได้พูดอยู่บ้างนะว่าพวกเทวดาทั้งหลายไม่สามารถไปรมไดนะ้เทวดาทั้งหลายบรรลุธรรมไม่ไดนะ้พวกเทวดาพวกภูมิเทวดาบอกว่ากําลังติดดีบ้าดีนะ ทำแล้วมันมีความสุขเสพสุดมีความสุขมากๆก็เลยหาเรื่องทำไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของปัญญาเป็นเรื่องการติดยึดทีนี้เรามาดูกันนะปัญญาที่เป็นลัหนณะของปัญญาที่เราเจริญสติแนวหลวงปู่เทียนมันเป็นยังไงก็คือตัวที่รู้ซื่อนั่นเองจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ ทีมันไม่ดีมันก็กลายเป็นดีขึ้นมาบางทีไอทีว่า ด, ดีมันกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาเพราะฉนั้นลักษณะเนี่ยมันเป็นเรื่องของต้องดูหนังให้จบมว้วนท้ายสุดเราจะเห็นว่าอารมณ์ปฏิบัติของหลวงปู่เทียนนะรู้ซื่อมีความหมายมากรู้เฉยนะเนี่ยตัวนี้มันเป็นสภาวะของตัวปัญญานะที่เป็นอิสระเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลนะเหนือการเปรียบเทียบทั้งหมดเลยละนะ มันเป็นตัวความรู้สึกซื่อๆจริงๆนะแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะต้องทํำเหตุปัจจัยของการที่จะทําให้เราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอันนี้ต้องว่างหายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะมันจะตรงกับหลักที่นะเป็นภาษาหลวงพ่อมเขียนท่านพูดว่า ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรไม่เป็นจริงๆถ้าจะเป็นก็เป็นเช่นนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่เราจะเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยเหล่านั้นนะโดยที่เราไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรช่างมันก็เช่นนั้นเองเป็นภาษาที่อาจารย์พุทธาก็ใช้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจออะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ้ามันจ้ามันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอท้าเอาถูกเอาผิดมีงานการอีกมากหล้วกันที่จะต้องทํากันเยอะจริงๆริ ง, รงาเอาถูกเอาผิดเอากรอบนะระบาดราบก็จะกลายเป็นความยุ่งเหยิงสับสนมีตกครูอาลีคูพยาบาลนะผู้พยาบาลอาคาตจองเวรจองกรรมไม่มีที่สิ้นสุดนะจนมีภาษาว่าทีเองเข้าไปว่าทีใครเองอย่าร้องอะไรแบบนีนะ้มันก็จะเกิดขึ้นมา กลายเป็นความยุ่งเหยิงสับสนในท้ายสุดนั้นเราก็จึงนี่แหละนะปฏิวัติธรรมรู้สซื่อๆนะรู้เฉยๆนะเป็นเรื่องของมรรคผลนิพพานจริงๆนะเพราะว่าไม่เป็นตัวนิพพานไม่เป็นความเป็นปกติผิดปกติเอาสุขเอาทุกข์เข้ามานะเอาเหตุผลขึ้นมานะท้ายสุดนะหมู่มากลากไปกลายเป็นอาตพานพวกหนึง่งนะกลายเป็นกลุ่มนะที่เป็นฝ่ายมารกับฝ่ายอาศูน ใ่ไฝ่พระอีกพวกหนึ่งกลายเป็นเรื่องของท ร, ร ม, มัาชนาธรรมหรือว่ากลายเป็นเรื่องของอธรรมของโลกนะกลายเป็นเรื่อ ง, องต้องส า, สางกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะจริงๆเราเกิดมาไม่กี่ปนะีอายุไขของเราเนี่ยท้ายสุดนะอย่างส่วนตัวนะคิดว่าต่อวีซ่าปีต่อปีไปเลยนะหรือบางทีก็วันต่อวันไปเลยนะหรือบางทีก็ ชั่วงต่อชั่วมงไปเรื่อยๆก็วินาทีต่อวินาทีไปเลยนะอย่างเช่นเวลานั่งรถไปทางไกลเนี่ยก็จะนึกถึงวินาทีต่อวินาทนะีเราอาจจะตายวินาทีนี้เลยพลาดนิดเดียวปังตายไปเลยอย่างเงี้ยสติจะต้องเด่นที่สุดนะเรื่องที่ต้องวางที่สุดนะสังเกตนะกายใจของเราคนะัน5้าของเรานะสังเกตดูก็เป็นธรรมชาติบริสุทธ์ ด, ดีไหมอย่างเงี้ย ก็เป็นลักษณะของการรวมตัวนะเป็นทุกข์ใช่ไหมหรือว่าารวมตัวเพื่อทำหน้าทีา่ถ้าทำหน้าที่ก็หยิบ ม, มาใช้แต่ปัจเจกแล้วพิจารณาใกลควรแล้วเห็นควรว่าต้องใช้ก็ใช้แต่เห็นว่าเออไม่เป็นไรเรื่องสาคัญกว่าเรื่องที่จำเป็นกว่ามีอยู่ก็ปล่อยวางไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ความเป็นอัตโนมัติมันมีอยู่นะระบบกลไกที่เป็นความชำนาญเป็นประสบการณ์นะของการฝึกหัดจกองตั้งมันเป็นเรื่องของธรรมชาติบริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วก็จึงสะดวกนะสะดวกในการใช้ชีวิตดำานงชีวิตนะซึ่งเกิดมาจากความรู้สึกตัวนี้เองนะเมื่องานหลวงปู่เทียนนะนะมีการสร้างประเด็นกันในพระบิชาหนึ่งนะมีการสร้างประเด็น ตัวแทนของสุกตก็คือจารย์ไพศาลก็ชี้ประเด็นของนักปฏิบัติเอาไว้ว่านะปฏิวัติรรมแล้วนะกลายเป็นคนเกลียดการนะกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบนะกลายเป็นคนที่หล บ, ล, บ, ล, บลีกเกลียดอารมณ์ไม่ไเผชิญอารมณนะ์กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะอันนี้เราจะเช็คได้ยังไงนะเช็คได้คําว่าเห็นแก่ตัวนะอยู่คนเดียวยาก คนเห็นแก่ตัวเนะี่ยอยู่ยาวต้องมีวัตถุหนึ่งสามบุคคลหนึ่งสองสามทุกง่ายนะสังเกตได้นะแล้วก็โดยเฉพาะว่าเราสังเกตได้ว่านะเวลาเราอยู่คนเดียวนะเรามีหลักของการใช้ชีวิตยังไงนะต้องเกี่ยวเนื่องกับด้วยผู้อื่นหรือไม่นะต้องการบนะุคคลหนึ่งสองสามสี่วัตถุหนึ่งสองสามสี่โดยขนกวายหรือไม่นะ จากโลภสมัยเป็นปุถุชนจะเปลี่ยนเป็นลาบได้ไหมสังเกตได้ถ้าลาบก็คือสินนำสุขมาให้สินนำปกติมาให้สินําความเย็นมาให้มันมีวิธีเช็คอยู่แล้วศีลคือความเป็นปกติปกติแบบไหนแบบเก็กแบบเกรงแบบมีมาสแบบกำหนดแบบมีกรอบตัวแข็งทื่ออย่างเงี้ยหรือว่ามันผ่อนคลายสบาย ธรรมดาธรรมดาเราสังเกตได้บางทีการปฏิบัติเราสังเกตได้มันะเพ่งจ้องจี้อย่างเงี้ยนะมันแน่นมันเครียดนะอันนี้ก็ตัวนึงร่วมผ่อนคลายสบายสะดวกเปิดเผย อ, อันนี้อีกตัวหนึ่งกกตัวนึงก็เผลอหลงชอบทําอะไรซ้ําๆที่มันเป็นเรื่องการคิดปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกแบบซ้ําๆไปผูกไปห่วง กับบุคคลหนึ่งสอสาหอย่างไรอะไรเงี้ยหรือว่าเราอยู่ของเราไปวันวั น, นอย่างเงี้ยเราสังเกตได้นะกับว่าสีเลเสีหลีอิสระนะมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจข้างในของเราไม่อิสระนะเสียหลีสีเลขนาดไหนมีศีลคือความปกติขนาดไหนอันนี้มันจะค่อยๆพัฒนาเป็นคําตอบส่วนนะถ้าอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าอยู่ได้เรียก ว, ว่าประโยชน์ตนะตัวนี้ชัดเจน และทิกันที่สุดก็คือเมื่อเราก็ใจประโยชน์ตนนะไม่มีหรอกที่เราจะไม่สามารถที่จะไปช่วยคนอื่นไดนะ้และช่วยได้ถูกซะด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าทุกคนมีนะอาทิตย์วาสนารวมกันมีบุพกรรมร่วมกันมีธรรมะสัมพันธ์รวมกันมีกรรมะสัมพันธ์มีบุพกรรมซึ่งแต่ละคนก็ต้องเรียกว่านะจะต้องเกี่ยวข้องกันด้วยจริตนิสัยต่างๆเรียกว่าธาตุเดียวกันก็ไปหาธาตุเดียวกัน คนละทานก็ต้องแยกกันอยเป็นต้นแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่สมดุลไมไ่เป็นความแตกแยกอะไรหรอกเป็นเรื่องของสันติสุขสันติภาพตามเหตุปจัจจัยขณะต่อขณะซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินเราได้เห็นจ น, นมันเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆก็เรียกว่าศาสนาศา ส, สนาผีศา ส, สนาภูเขาต้นไม้ศา ส, สนาพุทธคิดอิสลามอินดูอะไรก็ตาม แต่ท้ายสคือมันมาลงอยู่หลักเดียวกันนั่นแหละจึงนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากพระเจ้าค้นหาไว้เราเรียบร้อยแล้วนะเราก็ควรนะที่จะปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวนะซึ่งนะสติเป็นหนทางเอกหนทางเดียวสการรู้แจ้งเรามีศรัทธาความเชื่อตามหลักของศาสนาแบบนั้นนะคัมภีร์ของเราก็มีอยู่นะก็เชื่อว่าบรรพุรุษเนี่ยเขาเขาคิดดีแล้วลนะ่ะ แต่เราจะจับประเด็นไหนปฏิบัติแล้วก่กอประโยชน์สูงสุดกับตนในตัวนี้สําคัญนะมหาติปฐานสุดถือเป็นคำภีร์เล่มที่หน้าที่มีประโยชน์นะมีประโยชน์และวท้ยสุดพลเามปฏิบัติเนะี่ยเราก็เห็นว่ามันก็สอดคล้องกับคําสอนของครูบาอาจารยนะ์เช่นอาจารย์พุทธทาสกตาหรือว่าหลวงปู่เทียนเชียโพนะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกมากมายเหลือเกินที่ไม่ได้เอ่อยอ้างในขณะนีนะ้หรือว่าหลวงพ่ออมเขียนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆนะ เรามาปฏิบัติสัมผัสมันมีจริงๆในคําพูดเหล่านั้นมันจึงไม่ใช่ว่ามันไม่มีในตํารามันมีอยู่และในตาราใช้ไม่ได้ก็ไม่จริงตําราใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราน้อมมาปฏิบัติแล้วมันเป็นจริงในตัวเรามันเป็นการรับรองอย่างนั้นเราไม่ได้รับรองคนอื่นเอามาเป็นน้ําหนักของตัวเราเหมือนเถาวัลย์พันต้นไม้ใหญ่ไปชูคอไม่ใช่ หรือว่าไม่ใช่เชื่อคำภีเอาคำภีมาอ้างเพื่อเป็นละหษณะของผู้รู้นะโดยแล้วน่าเชื่อถือนะพูดแล้วมีน้ำหนักอันนั้นก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามันสามารถที่จะนะประสานสอดคล้องนะหยิบยกนะเอาความจริงของปรากฏการณนะ์ไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราหรือว่าได้ยินได้ฟังนะหรือว่าปรากฏการณ์ที่มันปรากฏจริงๆในตัวเราในใจเรานะ มันเป็นสัจจคความจริงก็คือหนึ่งเดียวกันนะเพราะฉะนั้นลักษณะของนะความรู้สึกตัวรนะ่วมลักษณะของปัญญายาณนะเพราะว่าหลวงปู่เทียนพูดไว้ชัดว่าท้ายสุดแล้วนะปัญญายาณย่อมมีปัญญายาณย่อมมีมันมีไว้ทําอะไรนะจะรู้ทันทีว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างเนี้นะ มันจะเกิดอะไรขึ้นกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะพูดไม่ดีกับเขาไว้เนะี่ยก็จะติดใจกนะว่าก็จะลืมจากใจของขกี่วันกี่เดือนกี่ปีเหตุการณ์หนึ่งที่เราทำเอาไว้ทําไว้โดยตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วคนอื่นเขามองนะตามวิธีคิดของเขานะแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะวางจิตวังใจยังไงเกี่ยวข้องกขายัางไงกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ถึงจะคืนนะกลับคืนสู่ปกติ อันนั้นแหละก็คือลักษณะของการขึ้นนรกการลงสวรรค์หรือว่าลงนรกการขึ้นสวรรค์อะไรก็ตามในมุมกว้างมุมลึกมุมดิ่งมุมอะไรก็ตามเป็นภพภูมิเราจะได้สัมผัสทันทีเอมันก็จริงจะไปสวรรค์ไปนี่ผ่านกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้ารู้สึกตัวครั้งหนึ่งมันนี่ผ่านกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรถ้ารู้สึกต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเป็นวัน เป็นเดือนเป็นปีถ้ารู้สึกจริงๆแ ย, ยบขายกับสิ่งนี้แนบแน่นกับสิ่งนี้อารมณ์ของพระนิพพานความเป็นปกตินะมันจะไปเหนะมือนกับว่าเป็นนิพพานชิมรองหรือว่านิพพานยั่งยืนอะไรก็ตามนะหรือจะเรียกพระอริยะอะไรก็ตามกี่วันกี่เดือนกี่ปนะีมันก็ปรากฏนะทุกๆขณะที่เรามีความรู้สึกตัวกับทุกๆนะสภาวะของอารมณ์ที่มันกาลังปรากฏ อะไรหยาบสุดเราก็เห็นแล้วล่ะจะเอาหรือไม่เอาอย่างกายเนะี่ยมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะเอาหรือไม่เอาล่ะลร้วจิตเปลามคิดนึกปรุงแต่งคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีคิดเป็นวิภาควิจารณ์วิตกวิจารณ์ก็มีเราจะยึดไว้เป็นกูหรือไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจนกว่า ม, มันจะปลดปล่อยหรือไม่ต้องมากนะเราดูที่ความง่วงก็แล้วกันอารมพยานากนะเรียกว่า เียวพระเจ้าลอยทาตวนกระแสนะเสร็จแล้วก็จมลงไปกระทบหัวพญานาคนั่งหลับไหลนอนหลับไหลอ ย, อยู่ใตนะ้แม่น้ำเนรัญชลานะมันคืออะไรเราก็เห็นลักษณะของเวลาเราปฏิบัติเนี่ยนะมันมีอารมณ์ที่วรลธรรมมาครอบงำนี่วัรธรรมเลยว่าถีน่นมิแทนะความง่วงเหงาเศร้าซึม เราเห็นเลยว่าโอ้ gie, เวลาเข้าไปอยู่ในความง่วงเนลยนะถ้าไปยึดอ้าก็คือกําลังของสมาธิบอกความง่วงเนี่ยไม่มีสติะระลึกรู้นะหรือมีก็มีไม่พอนะกําลังไม่พอประสิทธิภาพไม่พอประสิทธิผลก็ไม่เกิดนะเราเห็นว่าเออมันเข้าไปจมแช่อยู่กับความง่วงเนเป็นพบเป็นภูมิเลยนะเห็นแลว้วมันหลับไปเนะี่ยโอ้กว่าจะรู้ตัวว่ามีความม่วงอยู่หรือความง่วงอ่อนตัวแล้วก็ มันมีน้ำหนักเท่ากับสติเหมันก็คู่ชกที่มันสมจักสีกันแล้วก็สติก็รู้เท่ารู้ทันอย่างเงี้ยแล้วก็แยกตัวออกไปทันทีโอ้มันกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่พบกี่ภูมิกันเนี่ยนะมันเป็นพบเป็นภูมิทีเดียวขณะคิดหนึ่งครั้งหนึ่งเี่เป็นพบเป็นภูมิทีเดียวขณะที่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้มันเป็นพุทธภูมิทีเดียวมันเห็นสภาว่าเ่าเนี่ยมันเลือกได้เรารู้แล้วมรรคผลนิพพาน การกระแสะหรือกระแสแห่งการบารุธรรมก็คือสภาวะของความเป็นกลางและความสมดุลความเป็นปกติรู้ซ้ายรู้ขวารู้บวกรู้ลบหรือแม้ทั่งรู้ในจุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่ความเป็นปกติความสมดุลสมดุลอันนี้มันก็คือสภาวะของการเดินทางที่เราจะพาตัวเองเดินทางสู่การพ้นทุกข์มันเป็นการเห็น ไม่จำกัดการนะและเห็นด้วยตัวของตัวเองนะเห็นในขณะที่เรากำลังนะเฝ้าดูนะรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจักหยาบนะพัฒนาจากทั่งละเอียดลงเรียนลงเรียนลงนะตัวนี้มันจึงเหมาะนะกับการใช้ชีวิตกิจวัตรประจำวันนะมันจึงเหมาะกับการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะ ไม่เกี่ยวกับกบวันไม่เกี่ยวกับกลางคืนมันเกี่ยวกับตื่นตัวหรือไม่พระาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนนี่ตอนนี้ยังมืดอยู่ล้วก็เปิดไฟแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวรู้ถ้ารู้มันตื่นมันตื่นทุกๆุ ก, กนนะไม่เกี่ยวกับกลางวันไม่เกี่ยวกับกลางคืนเลือกได้ตัวนี้เลือกได้นี่นะก็จึงเป็นเรื่องที่เราอยู่วัดอยู่วาก็ต้อง เรียก ว, ว่ามีการกระทําเพื่อให้พบเจอนะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะแล้ว ก, ก่อประโยชน์ตนให้มากที่สุดนะแต่ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะประโยชน์ตนะแล้วก็สุขภาวะทางกายที่ตอนนี้กําลังทํากันอยู่นะผมและธรรมมาพยายามสอดแทนะรกพยายามแทรกเรียกว่าใช้กุจโรบายก็ได้เข้าไปพิธีญาใครจะมาวัดด้วยวิธีการไหนก็ตาม ด้วยกลไกลอันไหนด้วยวิธีการจูงใจยังไงทายสุดก็คือต้องรู้จักเรื่องการจริญเสพฐานโดยเฉพาะที่นี่ก็คือให้เป็นแนวหลวงปู่เทียนสิงคโปร์ซะแนวเคลื่อนไหวรูปแบบ14่จังหวัดลักษณะของการจะทําอะไรก็ตามมีการเคลื่อนไหวอยู่ท้ายสุดก็จะก่อประโยชน์ทําอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อประโยชน์ท่า น, นจองท่านเหมือนก็ว่าไม่ได้เกิดการแปลกแยกแตกแยกอะไรนะ เป็นเพียงแค่ตกรอกคนก็ต้องมีหน้าที่นะเราทํทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าทายสุดยิ้มได้ประภัยมาคนำะว่ายิ้มได้ประภัยมาก็หมายถึงว่าทำมาหมดแล้วนะเป็นคุณค่าความดีความงามประโยชน์นะต่อสังคมนะสัพสัตสัพสิ่งอย่างนีนะ้ก็วางแท้ไปถึงตรงนั้นเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะก็ถือว่ามันที่สุดนะ ของการกระทำแล้วก็ท้ายสุดก็คือมันคงไม่ต้องมาใช้คำพูดอะไรกันก็คือตายให้กันดูนะเหมือนกับหลวงปู่เทียนนะที่มันจะจริงหรือไม่จริงเราไม่ต้องเหมือนกับว่าไปสรุปกระดะนะโดยความเชื่อหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหว14ีจังหวะแล้วก็ตายไปกับ1ิี่จังหวะท่านะงคงจะทำสภาวะของข้างในนะ การเคลื่อนไหวของข้างในในจิตในใจมันทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตามกฎของกรรมฐานที่มันให้ผลสูงสุดคงไม่ใช่มากระดิกเท้าหรือว่ากระดิกนิ้วเคลื่อนมือ14บสีรว่าตรงนั้นคงต้องปล่อยต้องวางจริงๆอย่างเงี้นะเราก็จะต้องเหมือนกับว่าเห็นนะมัจจุมานที่มันกำลังแสดงตัวนะยอมรับธาตุขันต่างๆที่กาลังจะแตกดับนะ แล้วก็โดยเพราะจิตใจไล่การคิดการปรุงกันแต่งจนทั้งสะดุงหวัดปวาเชื่อว่าหลวงปู่เทียนวางจิตวางใจไม่ได้เคลื่อนไหวไม้เคลื่อ น, นไหวมือแต่ว่าการเคลื่อนไหวไม้เคลื่อนไหวมือนีมันเป็นกุศลบายพาไปหาสภาวะของการรู้การเคลื่อนไหวเล็กๆในขณะที่จิตเกิดการปวางธาตุขันเอาละเห็นว่าสมควรกี่เวลาเรากลับมา พ, พร้อมกัน